เทศนาการที่สเรื่องชีวิตโอปปปาติกะของหลวงพ่อสมเด็จพระพุท ธ, ธารย์โตแสดงเมื่อวันที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2507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 คนที่ไปสู่โลกของโอปปาติกะนั้นแล้วจะรู้สึกว่าอยากทาความดีขึ้นไปนั้นเมื่ออยู่ในโลกมนุษย์จะต้องเป็นคนซึ่งอย่างน้อยได้ปฐมฌานถ้าแมมนว่าไม่ได้ปฐมฌานชีวิตประจำวันของท่านจะต้องเป็นชีวิตที่อยู่ในเหตุผลมากที่สุดและกระทำทุกสิ่งทุกอย่างไม่ตกเป็นทาตของอารมณ์